ในตอนบ่ายวันนั้นพอนั่งคนหนึ่งก็นั่งหลับคนหนึ่งก็เอามือขียแผ่นดินเขีดเพียนเขียนแผ่นดินคนหนึ่งก็ไปขย่าต้นไม้ขย่าต้นไม้มองดูต้นไม้แต่คนหนึ่งนั่งเมอรอยอยู่มองทอท้องฟ้า นั่งมองอยู่ท้องฟ้าจะไม่รู้มองอะไรแต่คนหนึ่งนั่งหลับตานิ่งฟังนะอันนี้คื อ, คอพระองค์ก็เห็นว่าคนคนหนึ่งนะอย่างคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังแต่สี่คนไม่ต้องวามันไปคนอธิตตาทางแล้วถึงอย่างไรมันก็ไม่เข้าใจล่ะพวกสี่คนเพราะมันไม่ได้ใส่ใจแต่พต ร, ระองค์ก็พยายามเทศเสแสดงธรรมะ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 เพราะเหตุใรเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะเหตุใดพระเจ้าขามันเป็นอุปนิสัยเก่าของเขาแต่เนี่ยอย่างอุบาสกทินนั่งหลับเน่ยเขาเคยเป็นพญานาคแล้กเคยเป็นงูมาก่อนตึงห้าร้อยชาตินะพอในเวลาเขาเขายังไม่อิ่มในการนอนเวลาเขาขนดตัวเข้ามาแล้วขดตัวเข้ามาแล้วเอา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 เล็งมาก่อนเขาเกิดมาถึง5้0ร้อยชาติเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในระหว่างมีไหมเขาก็เกิดเป็นอย่างอื่นก็มีแต่บางช่วงเขาเกิดมาถึงห้ารอชาติติดต่อกันจงเป็นอุปนิสัยจงเป็นนิสัยของเลงติดอยู่ในสั้นดานของเขาแต่พวกหนึ่งที่เกิดมาขึ้นมาแล้วกีดินอันนี้คือเป็นพวกไส้เดือนไส้เดือนมาเกิดแต่ติดพบติดชาติมาตั้งแต่ดึกดำบันของเขา